นะได้รับพยากรที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะท่านก็ามาพิจารณาว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนะี่ยทรงเป็นผู้มีดำรัสที่ไม่โมฆะ <c oughs> ก็แปลว่าไม่ว่างเปล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะั้นเนี่ยผ้าดำรัสของพระสามมาสามพุทธเจ้านั้นน่ตรัสคำไหนก็ต้องเป็นคำที่จริงแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นนะ ตรัสคำไหนก็คำนั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแลวเปรียบเสมือนอะไรก้อนดินที่โยนขึ้นไปบนอากาศแล้วต้องตกลงมาไหมพระดำรัสของพระสามมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสคำไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นสัตว์เกิดมาแล้วต้องตายไหมแม้ฉันใดพระดำรัสของพระาศาสดา ก, ก็ฉันนั้น พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่นอนมีความแท้ไม่เป็นโมคะชั้นใดเมื่อทํานายว่าสุเมทะบัณฑิตจกได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านกร็รู้ทันทีบอกว่าพระดารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะไม่เป็นโมคะแล้วเราจะต้องได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะค้นหาธรรมเอาเถิดเราจะค้นหาพุทธกาละกฐธรรม ธรรมที่จะทําให้เป็นพุทธเจ้าสิประการนะคือท่านจะค้นหาทานบา ร, รมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยาขันติสัจจะอธิฐานเมตตาแล้วเบิกขาบา ร, รมีท่านจะค้นหาบารมีสิประการอุปปารมีสิบประการ ป, ป ร, ปรมัทธบา ร, รมีสิบประการท่านก็เลยยึดบา ร, รมีข้อที่หนึ่งว่าบําเพ็ญให้มั่นคงถ้าท่านปรารถนาจากบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบําเพ็ญทานบา ร, รมีเถิดหม้อน้ํา หม้อที่เต็มด้วยน้ำผู้ใดผู้หนึ่งจักต้องคว่มลงน้ำไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นแม้ชั้นใดท่านเห็นผู้คนทั้งชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดหม้อที่เขาคว่าลงฉะนั้นสุเมธาดาบทก็สอนตนเองบอกว่าท่านจงบาเพ็ญทานบา ร, รมีด้วยการบริจากทรัพย์อย่างไม่มีเหลือทานอุ ป, ปบา ร, รมีท่านจงบริจาคอวัยวะทุกชิ้น ก็คือบริจาคผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเห็นไหมว่าของเราขนาดทานบารมีแล้วก็ให้ยากไม่ต้องถึงทานอุปบา ร, รมีหรอกใช่ไหมถ้าจะสละอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหลายๆท่านก็สอึกและใจไปไม่เป็นแล้วนี่จะได้เห็นคุณของพระศาสดาไงว่าพระศาสดายิ่งใหญ่เรานั้นเป็นสัตว์ที่ต่าต้อยจริงๆไม่กล้าสละ หลอกเพราะเราเห็นมันมีค่าในความรู้สึกของเราแต่พระาศาสดานั้นเห็นสัมมาสัมโพธิญาณมีค่าเห็นการตารัสรู้ธรรมนั้นมีค่าเห็นการพ้นจากวัฏทุกนั้นมีค่าท่านไม่ไปเห็นแต่สิ่งที่ท่านคลายทิ้งโถมทิ้งก็มีค่าใช่ไหมจากนั้นก็ตั้งใจให้ถูกตั้งใจให้เป็นนคิดให้เป็นของไม่ใช่มากแต่ใจอ่ะสําคัญ กระแสใจที่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวให้แล้วก็ไม่ทุกข์ใจตามมาสละแล้วก็สละขาดไม่อะไรอววรต่อสิ่งนั้นเลยต่างหากอันนี้นี่แหละใจเหล่านี้นี่แหละเราจะเห็นว่าใจของคนมันไม่เท่ากันเพราะการสั่งสมที่ต่างกันเมื่อกี้นะท่านมาได้ก็มีของทีลรักใช่ไหมก็มบอกว่าหมดเลยไม่มีเลยในยามว่างกันนึงก็สละทิ้งไปเลย นอย่างนี้ยทั้งๆ ท, ที่รักไมเน่ารักก็อยากจะไปเจริญกุศลก็สละออกไปเลยอันเนี้ถ้าทําได้สักครั้งสองครั้งเนะี่ยมันจะรู้ว่ามันเบามันโปร่งมันโล่งแล้วมันสะดวกจิตใจยังไงนี่เป็นอย่างนี้อันนี้กันเคียงแค่ว่าทานทานธรรมดามันวัตถุภายนอกถ้าทานอุปปุญธรรมีนะการให้ผมเป็นทาน การให้ขนเป็นทานการให้เล็บเป็นทานการให้ฟันเป็นทานการให้หนังเป็นทานให้เนื้อให้เอ็นให้กระดูกให้เยื่อในกระดูกให้ไตให้หัวใจให้ตับเนี่ยพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเนี่ยพ่อให้มาก็บอกให้าให้เนื้อเป็นทานจนแผ่นดินแพ้ที่เรานั่งอย่าเนี่ยจนแผ่นดินเนี่ยพ่ายแพ้ไม่ใช่มาปลุกระดมให้ให้นะให้คิดว่าให้คิดเพื่อให้เห็นคุณของพ่อ เห็นคุณของพระเจ้ากว่าจะมานั่งตรงนี้สิบเก้าพรรษากว่าจะมานั่งตรงเนี้ยี่สิบห้าพรรษาเนี่ยให้ขนาดนั้นนะให้ภายในนี่นะให้เนื้อให้เลือดให้ไตให้หัวใจให้ตับให้ปอดให้ไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่าให้เป็นทานสลัดโดยไม่มีหลือจนแผ่นดินเนี่ยบอกยอมแล้วแผ่นดินเสะเทือนยอมเลยสะเถือนเจ็ดครั้งแปดครั้งไม่ใช่สะเทือนแค่ชมพูตะวีปนะเสะเทือนหมื่นจักรวาล มืน่นจักรวาลจะเทือนรับกันบอกขอเป็นชาติเขตท่านละแสนโกดจักรวาลเป็นอนาเขตหาประมาณไม่ได้นะั่นเป็นวิสัยเขตเราจะรู้เลยว่าใจเราแค่ไหนว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้ก็ศรัทธาผู้ทำได้ซะเลยนะเรายอมท่านแล้ววันนี้คิดแล้วกลัวกลัวมากคนใจขนาดเนี้น่ากลัวคิดแล้วน่ากลัวมากนะ ใจที่สละเนื้อเลือดต่างๆจนแผ่นดินแพ้เนี่ยต้องกลัวต้องยอมเราต้องยอมท่านและการให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตาปอดเนอันนี้เขาเรียกว่าอุป ป, รปารามีไม่ใช่ประมัดนะแต่ถ้าทานะประมัดต่บารมีก็คือให้ชีวิตเหลอใขรควรธรรมที่จะทําให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่า ทานนับปรมามัตธรรมบารมีก็คือบริจาคชีวิตไม่ใช่ว่านันบไม่ได้นี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่เอาทานบรารมีของท่านมาเจริญก็เป็นพุทธคุณแล้วนะเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเราจะไม่กังวลสงสัยอีกเลยตรเนี้ยฉะนั้นมันต้องได้จากการได้ข้อมูลไม่ใช่ไม่ได้ข้อมูลนะ ได้ข้อมูลแล้วใจได้ใจเขาถึงใจเขากล้าอย่างเราท่านทั้งหลายคิดก็กลัวบางคนนี่คิดก็กลัวเลยนะแค่ทานบารมีทานออปปาบา ร, รมีทานแล้วปรารมัธบารมีเนี่ยก็ลองคิดดูอย่างนี้นะว่าตอนที่เป็นพระเจ้าสีวิราชเนี่ยที่ท่านจะควักดวงตาแจกเป็นทานเนี่ยอมาตรราชบริพารร้องไห้กันกริ่งหมดเล ย, อยบอกว่าให้อย่างอื่นก็ให้ไปเถิดอย่าได้ควักลูกตาเลย ท่านบอกไม่ได้หรอกพูดแล้วแล้วใจเนี่ยถ้าไม่ให้เนี่ยมันคาใจอะ่ะมันคาใจไปไปมาก็ให้หมอศิวากะาเดี๋ยวมาแล้วเอาหมอช่วยควักดวงตาเราเนี่ยให้อย่าจกพูดแล้วยากไรทีเข้ามาขอเราแล้วหมอก็ยาหยอดเข้าไปยอมหยอดหยอดเข้าไปเนี่ยยาก็กัด กัดกัดเข้าไปนี่นะกัดหนังนี่เนี่ยจนกริ้งได้อะ่ะตานี่ยกริ้งได้เลยปวดไหมปวดเจ็บไหมเจ็บเลือดไหลาอาบเต็มไปหมดไหมที่บัลลังก์อาบเต็มไปหมดกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนพวกเราเนี่ยต้องทําขนาดนี้นี่กริ่งแล้วออกจากเบ้าไม่ได้อีกต้องหยอดยาซ้ําไปอีกให้ปวดมากกว่าเดิมให้ทรมานมากกว่าเดิมอีกเอาก็ ยอดลงไปอีกจนห้อยออกมายอยูนเนี่ยห้อยตายย้ อ, อยออกมาเนี่ยย้อยออกมายังไม่ยังไม่หลุดยังไม่หลุดย้อยหยไม่มากมันตัดไม่ได้มันติดสายโยงอะ่ะมันยังไม่กัดเนื้อทั้งหมดก็ใส่เข้าไปใหม่อีกจนกัดครั้งที่สามเนี่ยจึงหลุดออกมาก็บอกหมอเร็วๆเราอยากเห็นทานนะบทานนะอุปปารามีของเรา หมอก็เอากันไก่ตัดเนี้ยตัดเบเซ็จเดี๋ยวหมอขอดูก่อนเลือดอาบหมดแล้ว เ, เ, เอาเอาเอาเอาตามาดูเอามาดูก็ยังปลาโมดให้เกิดขึ้นยำกิดเลื่อมใส่ให้เกิดขึ้นแล้วก็น้อมจับมือของคนขอยื่นให้ให้หมอต่อตาให้แล้วก็ให้ควักอีกด้านนึงแบบนี้เนี่ยพระเจ้าสีเวลา ต้องยอมถ้าคนอย่างเนี้ยอมท่านถึอแค่เราคิดก็จิตก็หวั่นไหวแล้วแค่คิดจิตก็หวั่นไหวแล้วคิดแล้วกลั ว, ลวเลยนั่นที่มานั่งๆเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรามาบูชาคุณท่านแล้วก็มาตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าให้มั่นคงท่านทําแบบนั้นกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงลําบากระบนมาก นี้ท่านไม่ใช่ให้แบบว่าไม่มีเหตุผลใดๆนะยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าถามบอกว่าในการไม่บริจาคและการบริจาคเนี่ยการนำมาซึ่งความพินาศมากมายก็คือว่าจากความเป็นผู้ปราถนาวัตถุกรรมเนี่ยนะของทั้งหลายที่สิ่งสองภายนอกภายในทั้งหลายก็คือวัตถุกรรมดีๆนี่แหละมันนำมาซึ่งความไข้นะถามว่ามีที่ดินก็คือวัตถุกรม สัตว์ทั้งหลายผู้มีใจห่วงแหนติดข้องอยู่ในที่ดินบ้างบางครังก็ติดข้องอยู่ที่สวนบางครก็มีห่วงแหนที่เงินบางทนก็ทองโคกระบือธาตหญิงธาตชายบุตรภรรยาอีกเยอะเสื้อผ้าแล้วติดหมดแหละถ้าสมมุติขึ้นมามีราคาแพงก็ติดข้องหมดเลยจากความเป็นสาธารณาภัยนะถามว่าของเหล่าเนี้ยราชภัยเดี๋ยวก็มีภัยเก็บแวะเดี๋ยวก็โดนโจรภัย เดียวก็โดนอักขีภัยวารตะภัยแล้วก็ภัยก็คือวิวาทกันเป็นฆ่าสึกกันจากสิ่งที่ไม่มีแก่นสารของความงามเป็นต้นเป็นเหตุนํามาซึ่งความเบียดเบียน ด, ด้วยในการได้มาในการคุ้มครองอะ่ะหรือที่สุดก็คือพินาศเดี๋ยวเราก็พินาศกันไปหมดเนี่ยนะนํามาซึ่งความพินาศหลายอย่างมีความโศกด้วยความโศกความลำไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจในอของเราเนี้ มีความไม่สามารถเป็นเหตุเพราะความเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิไปด้วยถามกว่าจิตสัตว์ทั้งหลายที่มีมวลทินคือราคะนี่นะมีราคะยอมแล้วโทสะยอมแล้ ว, ลวโมหะยอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงอบายก็บพ่อซับตัวนี้ยอมบางคนติดข้องในผมในขนในเล็บในฟันตัวเองเก็เป็นเหตุถึงการลงอบายภูมิด้วยนะดูสิเนะ่ะเนี่ยนี่แหละวัตถุกรรมมันนำ ม, มาซึ่งความเสียหายนำ ม, มาซึ่งความวิบัติเป็นบอกว่า อะไรล่ะความตันหนีไงความยึดติดไงไม่กล้าสละนั่นแหละผลิตขหาวัตถุก็วัตถุที่หวงแหนท่านก็เลยบอกว่าควรทําความไม่ประมาทในการบริจาคว่าคําว่าทําความไม่ประมาทบอกว่าให้มีสติในการสละในการให้การบริจาควัตถุเหล่านี้เป็นความสวัสดีอย่างเดียว จะเข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้พิจารณาว่าบุคคลที่เราจะบูชานี่นะถ้าเราดูคนที่เข้ามาขอที่เราเดินไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็บอกความลับของตนแนะนำเราว่าท่านจงสละสิ่งคุยควรถึงก็หมายความว่าควรถือเอาเนี่ย เขามาแนะนำเราอย่างไรรู้ไหมการแนะนำอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะถือเอาของท่านไปสู่ปรโลกได้หรือไม่ฉะนั้นกรณีที่ท่านสละนี้แหละการสละนั้น่ท่านจะสามารถถือเอาไปไว้ในโลกหน้าได้การไม่สละท่านหมดโอกาสที่จะถือไปในโลกหน้า ของในโลกใบนี้มันก็อยู่แค่ใบนี้คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะมีโอกาสในการถือเอาไปสู่โลกหน้าได้ฉะนั้นคนฉลาดทั้งหลายเขาปลูพรมเรียบร้อยแล้วเขามองทั้งปัจจุบันภพนี้ด้วยแล้วเขามองว่าโลกหน้าเนี่ยเขาจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเห็นไหมคนฉลาดทั้งหลายเขาจะวางเป้าหมายในการถือเอาไปใช้ในชาติหน้าได้ฉะนั้นเวลามีใครมาขอหรือ มีสิ่งที่ควรบูชาทั้งหลายเนี่ยเขารู้เนี่ยว่าเขาให้เนี่ยเขาต้องการที่จะไปในพบหน้าเขาจะไม่เดือดร้อนเห็นไหมเขามองเป็นเขาฉลาดซึ่งคนบางคนเนี่ยคิดได้แค่ปัจจุบันว่าเออเดี๋ยวเราอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะได้สุขสบายคิดแค่นั้นแหละแต่ไปพบหน้ายัางไงไม่ทราบไม่รู้แล้วไม่อยากคิดไม่กล้าคิดแต่พระศ า, าสดาท่านคิดให้เลยใช่ไห เวลาท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านท่านคิดเลยท่านสละเป็นทีนี้ถ้าเขายังไม่บอกนะก็หมายความบอกว่าเอออย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อโลกถูกไฟถามว่ากระแสของตาหูจมูกเล้นกายใจเรเรียกว่าโลกมันถูกไฟคือมรณะเผาเนี่ยเดี๋ยวถูกมรณะคือความตายเผาความตายจะต้องมาเผา ถ้าไฟมันไม่เรือนไฟมันไม่เรือนเราเมื่อไฟไม่เรือนมีคนมาขอช่วยถือของเราออกจากเรือนจากบ้านคนคนนั้นมีอุปการะแกเราก็ตอนนี้เราถูกชลาย่ำยีพญาธิเข้าเข้าจัดการแล้วถูกมรณะภัยห้ามหันอย่างแรงเลยก็พระพุทธเจ้าอ่ะ เป็นที่รองรับแห่งการจะขนทรัพย์ของเราสมบัติของเราไปในพบหน้าพระราชนาฏัยเนี่ยเป็นที่รองรับแห่งการน้อมทรัพย์ของเราไปในพบหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยในใะนเนี้ยสีเสียงกิน่นรอด ส, สัมผัสแล้วก็ทําอารมณ์เนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยถามว่าตายเดี๋ยวนี้ก็แบกไปไม่ได้เนี่ย นีเนี่ยจีวรเนี่ยไม่มีใครเอาจีวรไปหอมช า, ชาติหน้าชาตินาได้แต่ที่เราถวายจีวรเนี่ยพอเราเห็นว่าเมื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นการขนทรัพย์ไปสู่ปรโลกได้แล้วเราถูกบ้านเราถูกไฟไหม้ตาก็ถูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตาปอด ังผือไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่อหกมันถูกไฟไหม้ตลอดมันเปลี่ยนตลอดใช่ไงั้นถ้าไฟมันไหม้อย่างเงี้ยถ้าจะมีคนคนขนของเราออกจากบ้านเนี่ยตรงนี้กลับกลายเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปทีนี้เมื่อเขายังไม่บอก ถามบอกว่าเมื่อเขายังไม่ได้แบกของออกไปหมายความบอกว่าของถ้าอยู่ในบ้านไฟก็ไม่แต่ถ้ามีคนเอาของออกไปให้เราคนคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรเราเป็นมิตรที่ดีแต่เราเวลาพระไปวินบาตพระมารับของจากเราเนี่ยท่านเป็นกัลยาณมิตรพระเทวีเนี่ยเป็นยอดกัลยาณมิตร ช่วยขนทรัพย์สมบัติของเราอันนี้มองอย่างคนต้องการผลแต่เราไม่ใช่ต้องการผลคือทรัพย์แต่เราต้องการผลคือการพ้นทุกข์เราจึงกล้าให้เพราะอะไรสิ่งของเหล่านี้สมบัติเหล่านี้เป็นที่ตั้งของมนทินคือกิเลสถ้าฉลาดคิดกับมันนะถึงจะรู้ถ้าไม่ฉลาดคิดกับมันนี่นะแล้วก็ถูกกิเลสแผดเผาแล้วก็เร่าร้อน เพราความเป็นสหายในกรรมงามเนี่ยคนที่เขาพระพุทธเจ้าเป็นตัวเหล่าเนี้ยถามว่าทานความเป็นเหตุให้ถึงพุทธภูมิที่ยากยิ่งกว่าสมบัติทั้งหมดถามบอกว่าเราจะถึงสาวกกโพธิญาณปัจเจกับโพธิญาณสมมาสัมโพธิญาณเนี่ยถ้าไม่มีทานในกุศลที่ถูกต้องไปไม่ได้ถ้าสละทานไม่เป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ พึงเข้าไปตั้งความนอบน้อมในการบริจาคว่าผู้นี้ยกย่องกรรมอันยิ่งใหญ่ของเราเนี่เวลาเราจะเข้าไปพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปนอบน้อมว่าพระศ า, าสดาบอกให้เราให้ทานเนี่ยพระศ า, าสดานั้นเน่ะ ย, ยกย่องกรรมที่ยิ่งใหญ่ว่าเออจะพ้นทุกข์เธอทําแบบเนี้ยเธอสละให้ถูกอย่าไปสละแค่ของแต่จิตนั่นแหละน้อมเจตนาทานให้เป็นวัตถุสิ่งของมันมีอะไรมาก เอาไว้กินไว้ใช้อะเนะเหลือนั้นก็คือทําบุญด้วยหลักการมีอะไรหรอกกินเนี่ยเราก็คำนวณได้ว่าชาติหนึ่งเราจะกินเท่าไหร่เราจะใช้เท่าไหร่เหลือนั้นก็ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้เนาะแต่ให้มันเป็นบุญแต่ถ้าต้องการอยากได้บุญสูงสุดก็ น, น้อมถวายพระศ า, าสดาพระรัตนตรยัยไปฉลาดคิดเถอยแค่นี้ก็จบ ทีเนี้ยถ้าห า, ถ, าถ้าคนจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระเจ้านี่นะถ้าทานบารมีของเราเนีจะเต็มไม่ได้ถ้าไม่มีคนขอถ้าไม่มีคนขอทีนอย่างหนึ่งก็คือพระบรมศ า, ศาสดานะั้นต้องการที่จะเป็นที่รักนะของเราพุทธเวไนททั้งพุทธบริษัททั้งหลายเป็นต้นท่านก็สละอย่างยิ่งใหญ่ให้แล้วก็ปลื้มใจเนาะยังความปีติโสมนัส ใ, ให้เกิดขึ้นก่อนให้ก็ยินดีขณะให้ก็ปลื้มใจเมื่อให้แล้วก็ยังความปีติโสมนัส เป็นต้นให้เกิดขึ้นเมื่อทราบมีสิ่งที่ควรบูชามีคนที่ขอมีอยู่การไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงเราอย่างใหญ่หลวงเลยเป็นการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ถ้าถามบอกว่าปาาริจะพ้นทุกจะพ้นทุกเนี่ยทราบก็มีใช่ไหมคนขอก็มีการไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงเลยนะเน่ย ยังใหญ่หลวงด้วยไม่ใชไไ่ไม่ธรรมดาเป็นการหลอกลวงด้วยทีนี้ประการต่อมาคือว่าอย่างนี้ในารายละเอียดตรงนี้ยโลพาเนี่ยเป็นวิสัยก็หมายความว่าไอ้โลพาเนี่ยมันติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระโพธิสัตว์นั้นเนะี่ยสำเนียกว่าดูก่อนสัตว์ปรุษท่านผู้บุญเพ็เอาพิธีิหารเพื่อความตรัสรู้เนี่ยได้สลากายนี้เพื่ออุปการะแก่สรรพสัตว์และกบุญสํมบัติด้วยการบริจาคกายนั้น ความเป็นบุคคล่องในวัตถุแม้กายภายนอกของท่านเป็นดุจการอาบน้ําไม้ช้างอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเราเนี่ยเวลาไปเห็นอะไรมันชอบติดข้องเหมือนช้างชอบอาบน้ําอ่ะเห็นอะไรชอบติดข้องหมดเลยโยมเห็นดอกไม้ก็ชอบไปชอบใจเห็นสี ส, สวยๆก็ชอบใจเห็นเสียงเพาอๆก็ชอบใจไม่ต่างอะไรกับช้างชอบอาบน้ําช้างก็ชอบอาบน้ําวันๆก็อาบอยู่นั่นแหละ มันก็วิ่งหาความติดข้องให้ใจมันเที่ยวไปชุ่มชื่นอยู่นั่นแหละอันนั้นมันไม่ใช่บุญวันก็ทําบาปเล่นไปวนันวันๆเนี่ยเพลินไปวันๆเนี่ยแหละทีนี้ท่านบอกอมิสทานอะไรเป็นวะบอกทานบา ร, รมีมีสามอย่างนะอมิสทานพยาทานแล้วก็ธรรมทานเป็นต้นวัตถุภายนอกอันนางปานางคระรงวัดถังเนี่ยให้ข้าวให้น้ําตอนนี้เราให้ข้าวเป็นทานอาหารก็ให้ไปแล้วเนี่ย ถวายพุทธเจ้าให้น้ำก็ถวายไปแล้วผ้าก็ให้แล้วยานนะล่มก็เคยให้ไปแล้วรองเท้าก็ให้ไปแล้วดอกไม้ให้แล้วของหอมฉีดกันใหญ่ของรูปร้ายที่นอนให้ยังให้ที่นอนผ้าปูที่นอนที่อาศัยประทีปแสงสว่างก็ให้ไปแล้ววัตถุมีค่าเป็นต้นมีวัตถุหลายอยา่างจาแนกเป็นของเคี้ยวและของควรครบบริโภคก็จาแนกไ้เป็นของ ควรเคียวทีนี้ในบรรดาสิ่งของเหล่านี้ก็มาแยกเป็นให้รูปเป็นทานให้สีอ่ะให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสและก็ให้ทําอารมณ์วัตถุมีรูปอารมณ์เป็นต้นวัตถุหลายอย่างก็จําแนกเลยทีเนี้ยบางท่านก็ให้สีเขียวเป็นทานให้สีเหลืองเป็นทานให้สีแดงเป็นทานให้สีขาวเป็นทานเห็นให้สีดําเป็นทานแล้วแต่ให้สีใดๆนะเอาเป็นทานไปวัตถุหลายอย่างเครื่อุปโภคทั้งหลายนั้นําความปลื้มใจหลายชนิด มีแก้วมณีบ้างกระนกบ้างเงินบ้างมุกดาบ้างให้นาให้ไล่ให้สวนให้ทาตหญิงธาตชายโคกระบือเป็นต้นเหล่านี้ยสิ่งเหล่าเนี้ยให้เป็นทานได้บทเลยก็ในวัตถุนั้นพระหมหาบรุษก็ให้วัตถุภายนอกรู้ว่าตนเองเนี่ยนะให้วัตถุที่มีความต้องการแก่บุคคลทั้งหลายก็ต้องการเนี่ยสิ่งที่น่าปรารถนาเมื่อไทยธรรมการให้ไทยธรรมเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้บอกว่า ท่านจะให้ยังไงหนึ่งไม่ให้สัตราอาวุธไม่ให้ของมืนเมาใช่ไหมนี่ท่านฉลาดไหมเพราะมันนํามาซึ่งการเบียดเบียนท่านก็ไม่ให้ของเล่นอันประกอบไปด้วยความพิณาทและนํามาซึ่งความประมาทท่านก็ไม่ให้ประการต่อมาคือไม่ให้ของที่เป็นที่สบายเช่นน้ําดื่มของบริโภคเป็นต้นหรือของที่เว้นจากการกําหนดแก่ผู้เป็นไข่แต่เป็นของที่สปาย่ากแก่บุคคลที่มีประมาณหมายความบอกว่าถ้าคนป่วย แล้วก็รู้ว่าจะให้อะไรเช่นแล้วเอาของที่มันคนเขาป่วยเขากินแล้วตายไปให้เขาอย่าเงี้ยแล้วก็ไม่ให้เช่นยานี้มันผิดกับเขาโรคเขาแล้วก็เอายาไปให้เขาเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็ฉลาดในการคิดครื่องหัดท่านก็ให้ของที่ควรแก่ครหัสถ้าให้บันประชิตให้ของที่สมควรแก่บันประชิตนี่ก็เรียกให้เป็น ในบรรดาบคุคคลเหล่านั้นก็คือให้มารดาบิดาญาติสายโลหิตไห้มิตรอมาตบุตรภรรยาทาศกรรมกรไทยธรรมดีมีมากก็ไม่ให้ของเศร้าหมองมีของดีๆแต่ไม่ใช่เอาของเศร้าหมองไปให้เอาของที่ดีเลิศไปให้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ประการต่อมาคือว่าไม่อาศัยสักการะด้วยความสรรเสริญไม่อาศัยการตอบแทนไม่หวังผลแต่หวังสัมมาสัมโพธี ย, ย่างเราแหละถามบอกว่า การให้เนี่ยระหวังอะไรหวังได้ราบสการะหรือไม่หวังให้คนยกย่องสรรเสริญใช่ไหมเขาหวังอะไรถ้าพทธเจ้าก็หวังสัมมาสัมโพธิญาณบางท่านก็หวังปัจเจกโพธิญาณถ้าอย่างเราก็หวังพ้นทุกข์หวังพ้นทุกข์เราจึงให้เพราะเราต้องการให้เพื่อต้องการพ้นทุกข์ทีนี้ในขณะที่ให้ ไม่รังเกียจผู้ขอหรือทายารมไม่ใช่ว่าเอยเราลังเกียจนะถามว่าทิ้งขยะนี่แล้วลังเกียจขยะไหมลังเกียจไหมก็มันโสโปรกเราึงทิ้งอย่างนั้นก็ลราให้แบบรังเกียจการให้ไม่ใช่เหมือนทิ้งขยะเราไม่ใช่ไม่รักผมพุทธเจ้าบอกเราไม่ใช่ไม่รักผมของเราเราไม่ใช่ไม่รักขนตาของเราเราไม่ใช่ไม่รักขนคิ้ว ไม่ใช่ไม่รักตารักหูรักจ ม, มูกเนรักแต่สา ม, มาสามภวิญาณเรารักมากกว่าเราจึงกล้าให้ปัเจ Ж กับพวิญาณเขาเขาสําคัญเขารักมากกว่าเขาจึงกล้าให้สาวกพวิญาณสําคัญมากกว่าท่านเหล่านั้นจึงกล้าให้ที่เรากล้าสละผ้าสละของรักของห่วงเนี่ยเพราะเราไม่ใช่เราไม่รักของเหล่านี้เสด็จเนรักเนร์เนี่ยแต่เรากล้าสละให้เพราะเรารัก ความพ้นทุกมากกว่าจึงกล้าสละมองเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเรามีสิ่งที่รักมากกว่าเราจรึงกล้าให้เราไม่ใช่ให้เพื่อกระทบตนและบุคคลอื่นเลยแต่เราปรารถนาความหลุดพ้นปรารถนาความพ้นทุกปรารถนาการขัดเกลาเราจรึงกล้าสละเราจรึงกล้าให้ทีนี้ในขณะที่เราให้นี่นะ เราก็ไม่ได้รังเกียจของไม่ให้ทานแบบทอดทิ้งยาจกผู้ไม่สำรวมแม้ผู้ด่าและผู้โกรธที่แท้จิตเลื่อมใสอนุเคราะห์ด้วยความเคารพ อ, อย่างเดียวหมายความบอกว่าแม้เราให้ไปแล้วเนี่ยเขาคว้าเอาเมื่อไหร่เนี่ย เ, ขข เ, าารเราตั้งใจไว้ก่อนหนึ่งให้แล้วจะไม่ให้ใจเสียจ ะ, จะไม่ทําจะไม่ทําความรู้สึกเสียดายเกิดขึ้นเขาวางใจก่อน ตั้งใจไว้ก่อนคือเขาตั้งใจคิดโดยปัญญาก่อนก่อนจะให้เขาต่อสู้จนชนะได้มันเป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเหมือนกับเอกษาดกพรามที่มีผ้าผืนเดียวไปนั่งฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้ผ้าผืนเดียวหอ่อตัวเองไปนั่งฟังธรรมเนี่ยพอฟังธรรมพอปฐมยามล่วงไปทำท่าจะสละปุ๊บโอ้ยนึกถึงภรรยา ภรยาอยู่ที่บ้านเจ้าผ้าที่ไหนนุ้งก็ไม่กล้าที่แรกนึกถึงตนเองก่อนใช่ไหมตนเองอายพอครั้งที่สองบอกมัชชิมายามฟังทำไปศรัทธาเกิดอีกแล้วทํำท่าจะดึงอีกโอนึกถึงแล้วภรรยาเราจะออกจากบ้านเจ้าผ้าที่ไหนนุ่งเพราะเราต่างคนต่างผัดก็มีผ้าอยู่ตัวเดียวทั้งตระกูลเนี่ยมีผ้าพื้นเดียวพอมัชฉิมายามมาเออเฮยสละชีวิตเลยจะเป็นไรช่างเถอสละไปเดินไปไปถวายพระเจ้าเลยเนี่ย เนี่ยชนะแล้วเข้าใจยากชนะชนะแบบเนี้ยคือชนะไอความตะนีไอความหวงความยึดติดเนี่ยถ้ามันไม่รู้จักคําว่าปีญ่าทานนางเนี่ยมันไม่รู้จักทานหรอกมันต้องรู้จักคําว่าปีญ่าทานนางในเขาสละแบบนี้สละของรักเป็นเรารักอะไรมากก็สละนั่ น, นคําว่าสละเนี่ยมีอุบายทั้งเยอะแยะถ้าฉลาดคิด ฉลาดคิดคนฉลาดเนี่ยเขากล้าสละเพราะเขาเห็นสิ่งที่เลิดอยู่ข้างหน้าถามว่าถ้าท่านทั้งหลายสละทั้งหมดเลยเนี่ยวางต่อหน้าพระบรมศ า, าสดานเนี่ยนะแล้วรู้ว่าอีกเจ็ดวันจะได้จกักรพรรดิทุกคนกล้าทันทีเลยใช่ั้ยอันนี้ไม่มั่นใจ มันไม่มั่นใจทุกวันเนี่ยทีรีรออนอะไรเป็นเหตุให้ไม่มั่นใจวิจิกิจฉาทําไมจึงมีวิจิกิจฉาเพราะฟังทำไม่ไม่ได้ฟังทำมาตามลําดับแต่ น, นี้เล่าให้ฟังก่อนอีกร้อยชาติเรากล้าก็ไม่ไม่เป็นไรจะมาพูดไปเนี่ยเผื่อร้อยชาติพันชาติแสนชาติข้างหน้าอาจจะตั้งเป็นอัธยาศัยกับเราทั้งหลายก็ได้นะถ้าไม่กล้าที่สุดจริงๆเราต้องทิ้งหมดแหละเนี่ยไอที่นั่งนังนั่งนัอยู่เนี่ยที่ว่ารักที่สุดเนี่ย หมดเวลาเขาไม่หมดโอกาสถ้าไปนอนอยู่บนเตียงของคนไข้ไม่รู้จะไปทําบุญกับใครถามว่าคิดว่าไปนอนเดือ เ, เตียงคนไข้ที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะมีโอกาสมาถวายอย่างนี้ไหมมาบูชาอย่างนี้ไหมหมดโอกาสแล้วครั้งเดียวแล้วเวลาตอนเนี้นาฬิกานับถอยหลังแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะจากแล้วนะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วเนี่ยจะจากแล้วคนที่ประมวลบุญได้ก็เป็นบุญไปประมวลบุญไม่ได้ก็เสียหายไปใครคิดบุญได้ก็ได้ไปนะ ทุกคนคิดได้ไม่เท่ากันามาก็พยายามกระตุ้นให้พวกเราคิดให้เป็นให้คิดให้เป็นเมื่อคิดเป็นเมื่ อ, อามากล่าวจบก็จบภารกิจแล้วะว่าชื่อว่ามาทําหน้าที่แล้วท่านทั้งหลายทําหรื อ, อยังแค่นั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ามาทําหน้าที่ก็มาแล้วเป็นผู้ที่บอกกล่าวพระธรรมคำสอนของพระศาสดาตามหน้าที่ในฐานะเป็นภิกษุในศาสนาของพระชินเจ้า ก็จะบอกตามคําสอนของพระเชษฐาเจ้าเท่าที่สติปัญญาจะคิดออกก็บอกไปแต่ท่านทั้งหลายคิดได้แค่ไหนมันอยู่ที่ท่านทั้งหลายจากประมวลความคิดใช่ไหมออมาก็จะทําจิตให้เลื่อมใสจกไม่โทมนัสเมื่อท่านไม่ไม่เข้าใจแต่ถ้าท่านเข้าใจออกมาก็จะโมท น, นากุศลเจตนาท่านที่มีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระศาสดาอย่างลึกซึ้งก็จะขอประมวล บอโมทนาเจตนาที่เป็นกุศลกับเราท่านทั้งหลายก็บุคคลทั้งหลายที่มาไหว้ที่นี่ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้ามานั่งประทับทุกพรรษาเนี่ยมาก็อนุโมทนาหมดเลยนะน้อมเลือกถึงบุญของท่านเหล่านั้นและที่กําลังหลั่งไหลามายัางไม่ขาดสายจนปัจจุบันนี้แล้วจะมาหลั่งไหลามาเจริญกุศลที่ถูกต้องในอนาคตข้าพเจ้าขอบูชาเพราะท่านเหล่านั้นเข้าใจแล้วก็บูชาเจตนาที่ยิ่งใหญ่ของท่านเหล่านั้น ไม่ให้ทานไม่ให้เพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวให้เพราะเชื่อกรมและผลของกรมเท่านั้นไม่ให้ที่ไม่ให้โดยที่ทำยาจกให้เศร้าหมอง้วยการให้เข้าไปนั่งใกล้เป็นต้นไม่ให้ทาให้ยาจกเศร้าหมองไม่ประสงค์จะลวงประสงค์จะทำลายผู้อื่นให้มีจิตเศร้าหมองอย่างเดียวเป็นต้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ให้ทานโดยใช้วาจาหยาบ เวลาจะให้ก็ให้วาจาไพเราะด้วยหน้าไม่ใช่หน้านิ้วคิ้วขมวดให้ด้วยจิตเบิกบานให้พูดอย่างน่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณไม่พูดมากโลภะมีมากในไท ย, ยธรรมใดเพราะความพอใจสิ่งนี้ก็ดีเพราะสะสมมานานก็ดีเพราะความอยากตามสภาพก็ดีเพราะโพธิสัตว์รู้อยู่บรรเทาไทยธรรมเหล่านั้นโดยเร็วแล้วแสวงหายาจกให้ถ้าติดข้องบิ เกิดยินดีในวัตถุชิ้นไหนมากๆก็เริ่มเ ร, เราจะไปให้ใครเนี่ยจะไปบูชาใครดีจะยิ่งใหญ่เนียนะเริ่มหาแล้วติดข้องดีนักมันชอบดีนักมันชอบไปผูกพันดีนักเดี๋ยวเราจะไปถวายพระศาสด า, าพระรัต น, ต, นตรัยมันเที่ยวมานั่งเฝ้านั่งจอมเนี่ยขยายอยากยมพ่อมันยึดติดอะไรก็สละให้ไม่หมดย้ายไปเหลือ ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเอ๊ะเราจะกินอะไรอย่าไปคิดนะเพราะมันมันทำให้เราจมอยู่ในวั ต, ตะความคิดอันนี้แต่ไม่ต้องทำตามามาทุกคนนะถ้ายมพ่อยมแม่จะทำไปะนะก็อืถึงคิดไม่ถึงยังไม่ต้องทาให้ยมพ่อยมแม่นะมีอะไรสละบะสละบปะอันนี้บอกยมพ่อยมแม่บอกแบบนี้เวลาบอกยมพ่อยมแม่ทุกครั้งก็บอกแบบนี้ให้ไปยม ให้ไปเราไม่ใจจะขาดอยู่แล้วจะหมดเวลาให้อยู่แล้วรีบสลับไปเนี่ยเขากําลังขนทรัพย์เราไปสู่ปริโลกให้ทิ้งเข้าไว้แล้วไฟเป็นเผาหมดเยมพ่อยมแม่บอกอย่างนี้ตลอดแลทิ้งไปแต่ทิ้งให้เป็นนะบูชาให้เป็นนะไม่ใช่ให้แบบไรสาระให้แบบไม่รู้เรื่องให้แบบขาดปัญญาไม่เอาเราจะไม่ให้แบบคนโง่ เราจะให้แบบคนมีปัญญาเราจะมีความเข้าใจทั้งในอดีตนาคตและปัจจุบันแล้วรู้ทางเดินของพระโพธิสัตว์เราจะรู้ทางเดินของพระประเจา้าพรเจ้าเราจะรู้ทางเดินของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายเราจะรู้ช่องทางของบุคคลที่เขาพ้นทุกข์เพราะการสละที่ถูกต้องเอาเจตนาตอนนี้เรามาเห็นโรงงานผลิตบุญแล้วต่อไปก็มีหน้าที่ที่เราจะน้อมระลึกให้เป็นตามเราเลึกให้เป็นนะ มหาบุตรเมื่อบุตรภรรยาท้าสมกรบุรุษของตนไม่ร้องเรียกถึงธอมอนัดก็ขอย่อมให้แก่ยาโจกทั้งหลายแต่เมื่อชนเหล่าอื่นร้องเรียกถึงความสมความสมอนัดโดยชอบจึงให้เวลาพระองค์จะให้บุตรภรรยาเป็นต้นในพระองค์ก็ให้เหตุผลก่อนเนะเวลาท่านจะปราถนาเป็นพุทเจ้าบอกว่ า, วาสมาธิปุรธยาณยิ่งใหญ่อย่างไร การตัดสิ้เป็นพระเจ้าสําคัญอย่างไรท่านก็ยังให้เหตุผลไม่ได้ให้แบบบังคับขู่เข็นให้ข้อมูลให้ความถูกต้องให้ให้อะไรจนชัดเจนเนะี่ยถ้ายังไม่ไม่พร้อมก็อย่างเนี้ยนะให้จนเขาเบาใจเขาเข้าใจดีแล้วก็ให้น้อมทาทกรรมกรก็เป็นแบบเนี้ยแค่จะให้ทาทเป็นทานแก่คนอื่นก็เรียกทาทมาก็บอกว่านี่นะเราบํบาเพ็ญบารมี อย่าโทรมานัดนะถ้าไปเป็นทาสของคนอื่นเราจะสละเธอทั้งหลายให้เป็นทาสคนอื่นโอ้โหต้องคิดยิ่งใหญ่จริงๆนะถ้าใครจะเดินตามรอยรอยของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะกล้าไหมเรากล้าจะไปเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ไหมกล้าไม่กล้าแล้วพระโพธิสัตว์ท่านจะสละเราให้คนอื่นนะกล้าได้เลยในพระลาหุนกระโดนสละมาไม่รู้กี่ล้านล้านชาติ นางพิมพาโดนสละมาไม่รู้กี่ล้านล้านชาติเห็นไหมเนี่ยหรือบุคคลอื่นต่างๆที่เคยเป็นทาตบริวารเนี่ยที่ตามบรรลุ ก, กับท่านเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นทาตท่านนั้นนะท่านสละบรรลุที่เราเป็นห้าร้อยที่เรพันที่เราหมื่นที่เรแสนที่เรล้านเนี่ยนั่นแหละพระสปวยศาสตรเคยสละตอนที่ท่านเป็นจักรพรรดิล่าท่านสละไหม อ, อ๋อสละสละทาตสละกรรมกร แต่ให้ข้อมูลนะไม่ใช่สละแบบไร่เหตุผลเนี่ยเธอเป็นทาตเราเธอเป็นสมบัติของเรานะเพราะงั้นนะนี่เราจะบริจาคมีใครเต็มใจไหมทุกคนยกมือเต็มใจพระองค์ก็สละเอาไปเป็นทาตุของคนอื่นไปไปนี่นะเวลาเจะสละภรรยาก็ไปทําแบบเนี้ยก็ถามนี่เราจะบำเพ็ญสัมมาสัมพุทธิญาณจะขนสัตว์หรือสัตว์ก็บอกเหตุผลให้ฟังก็สละ จงทำมนโปนปณิทานของพ่อให้เต็มเธอเตะฟังไหมเวลาลูกวิ่งหนีก็เรียกมาบอกก็อย่าวิ่งถ้าถ้าลูกไม่ทำอย่างนี้พ่อก็ไม่ได้เป็นพรธเจ้า<笑><笑>โอ้โหนะึ่ถ้าอย่างเรานี่เครียดไหมเนี่ยเครียดเลยมหมเนี่ยจะได้รู้จักพรธเจ้าจริงๆเพราะพรธเจ้าเป็นแบบนี้ใช่ครับครูกาใช่ครับ โอ้ยเขาไม่ใช่พึ่งตั้งเขาตั้งกันมาหลายหลายร้านหลายสภานะ ค, ครับพระชาดีมาอ๋อตั้งบาปฏิฐานยังไงใช่ไหมคือคือเขาสร้างบา ร, รมีมาท่านเหล่านั้นสร้างบา ร, รมีมาเพื่อจกอเพื่อจะพ้นทุกข์ให้สังเกตดูตอนที่พระโพธิสัตว์ท่านจะมาถือปฏิสันทีท่านก็นดูว่าเอมากันหมดหรือยังที่สร้างบา ร, รมีอ้อมาอครบหมดแล้วนี่ ท่านก็นลงมาเกิดท่านท่านเป็นอย่นั้นนี่นี่หมดเวลายัางเหลือกี่นาทีอ0 <c oughs> 1สิบห1สิบเหลืออีกกี่นาทีเนึยเหลือไม่ถึงชั่วโมงเราจะจากที่ตรงนี้แล้วนะ <c oughs> นี่จะจะจากเคตะวันแล้วนะเหลืออีกไม่ถึงสี่สิบนาทีแล้ว เนะี่เพราะเราจะต้องจากได้ที่ตรงนี้แล้วเนะี่ยทีนี้ทีนี้ก็บอกพระโพธิสัตว์น่นะนะแต่สรู้บรรเทาทายธรรมนั้นได้เร็วเนะี่ยแล้วก็สแสวงหายาจกที่จะให้ทีนี้บอกว่าเมื่อให้ก็รู้อยู่ก็ย่อมไม่ให้แก่ยักษ์กรากสดปีศาจเป็นต้นนะ ทีนี้ถ้าพิจารณารายละเอียดดูนะเออถ้าหากว่าอภัยทานเนี่ยก็ทราบความป้องกันจากภัยที่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายจากพระราชาจากโจร น, นี่ยการให้อภัยในะหมายความว่าอย่างนี้บางคนไม่รู้คําว่าอภัยทานนะก็คือป้องกันให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จะมีเวรภัยทั้งหลายเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ป้องกัน ป้องการสัตว์ทั้งหลายที่จะไม่ให้รับภัยทั้งหลายเช่นเขาจะมีภัยต่งตางๆเขาไปล้อมรู้วให้เขาไปสร้างกำแพงให้เขาเนี่ยนะรู้วเขาจะเดือดร้อนต่งตางๆก็ไปดูแลเขาเลยลักษณะนี้ก็เรียกอภัยทานเราก็อภัยทานการให้อภัยใช่ไหมเราโดยมากเราแปลกันยังไงเนี่ยอภัยทา น, นให้ความไม่มีภัยแก่เขาป้องกันเขา เขาเดือดร้อนก็ไปช่วยเหลือเขาที่เป็นการอาภัย้นะประการต่อมาก็คือว่าส่วนธรรมทานก็คือว่าสแสดงธรรมแบบไม่วิปลิตแก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองชี้แจงประโยชน์อันสมควรนำผู้ยังไม่เข้าถึงาศาสนาให้เข้าถึงให้เจริญงอกงามด้วยประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในภพหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ธรรมทานก็คือให้คําสอนที่ถูกต้องไม่หลอกลวง ปาถนาดีแล้วก็หวังดีเป็นต้นในแสดงการแสดงธรรมก็แสดงโดยสังเขปแสดงฐานนักถาและฟังไปหรือยังแสดงเรื่องศีลแสดงเรื่องสวรรค์แสดงโทษแสดงความเศร้าหมองของกามและอนิสงการออกจากกามถ้าพิสดารก็แสดงเลยประดิษฐานทำให้ผ่องแผ้วในธรรมนั้นๆตามสมควรด้วยสามารถประกาศคุณธรรมก็คือว่า แกผู้มีจิตน้อมไปแล้วในสาวกโพธิยานแกใครปราถนาพ้นทุกข์ใครปราถนาพ้นทุกข์ไหมก็น้อมในการที่จะให้เขาเจริญได้ถูกต้องการเข้าถึงสารณะนะเริ่มตั้งแต่การเข้าถึงสารณะคมการรักษาศีลการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายการรู้จักประมาณในการบริโภคการประกอบความเพียรการเจริญ ศรัทธาศีลกิิลโอตปะจาค้าสุตตะปัญญาเป็นต้นเหล่า น, นี้นะให้เจริญสมถะมีอารมณ์สามสิบแปดประการมีกสินสิบเป็นต้นเหล่า น, นี้นะให้ประกอบด้วยการเจริญวิปัสสนาการกำหนดในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อจะยึดเอาวิชาสามพิญญาหกปฏิสัมพิทาญาณสี่สาวกปริญาณเป็นต้นเนี่ยก็คือประกาศคำสอนอย่างวิจิตพิสดาร น, นะ ทีนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้บอกว่าพระมาหาบุรุษนั้นนะให้อมิสรทานแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยตั้งใจว่าเราพึงยังสมบัติมีอายุวันณะสุขภพระปฏิพานเป็นต้นและสมบัติคือผลอันเลิศลื่นลมให้สําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนะให้น้ํา เอาวลาพระบรมโพธิสัตว์ท่านให้น้ำเป็นทานเพื่อระงับอะไรเพื่อระงับกิเลสทั้งของสัตว์ทั้งหลายเราให้น้ำเป็นทานเลยไหมเพื่ออะไรเพื่อต้องการระงับกิเลสเือราคะโทสะโมหะเป็นต้นแต่ถ้าคนบําเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าที่เรามานั่งเฝ้าท่านเนี่ยท่านให้น้ำเป็นทานเนี่ยท่านน้อมเพื่อระงับกิเลสของสัตว์ทั้งหลายให้ผ้า เราให้ผ้าเป็นทานแล้วใช่ไหมไให้ผ้าเป็นทานก็แปเพื่อให้ผิวพันธงามเพื่อให้สาเร็จเครื่องประดับคือจะได้หิริโอตะปะจะได้ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนั่นแหละก็เลยให้ผ้าเป็นฐานเพื่อจะให้เกิดหิริความละอายต่อบาปโอตะปะคือความเกรงกลัวต่อบาปให้ยานผ้าหน้าเป็นฐานให้รองเท้าให้ล่มเป็นต้นเป็นทานเพื่ออะไร เพื่อให้สําเร็จอิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้และเพื่อให้ได้นิพพานสมบัติให้ความสุขในสมบัติเก่าวคือพระที่พานนั้นให้ของหอมเพื่อให้ให้ของหอมเป็นทานเนี่ยที่ฉีดน้ําหอมเนี่ยเพื่อจะได้ตั้งมั่นในกุศลศีลให้ตั้งมั่นในกุศลศีล คือปาฏิโมกข์สังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะยะสันนิสิตาศีลให้ดอกไม้ของรูปไร้เนียให้ดอกไม้เป็นทานให้ของรูปไร้าเป็นทานเพื่ออะไรเพื่อให้สําเร็จพุทธคุณอิติปิโสปะคะวาอระหังสัมมาเนี่ยที่เราสวดกันเนี่ยเนี่ยแหละคือให้ของหอมเป็นทานให้ดอกไม้เป็นต้นเหล่าเนี้ย ให้อาศนะเป็นทานที่พระพุทธเจ้าให้อาสนะเป็นทานเนี่ยเพื่อให้สําเร็จอะไรให้สําเร็จได้นั่งพระแท่นวัชระอาสน์นั้นหลายคนพยายามปูอาสนะเป็นทานใหญ่เลยใช่ไหมปราถนาอะไรปราถนาได้นั่งหน้าที่ตรงไหนแล้วจะได้บรรลุจะได้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าบางท่านปราถนา บรรลุที่โพธิบุญทนเลยเป็นพระเจ้าเลยเนี่ยก็ให้อาสนะเป็นทานาให้ที่นอนเป็นทานเพื่อได้ตถาคตาสายญาติคือนอนแบบพระตถ า, าคตให้ที่พักเป็นทานก็เพื่อจะให้เข้าสําเร็จถึงสาระไตรสาร ณ, รณคมอย่างมั่นคงให้ปฏิปเป็นทานเราให้ได้ยังเพื่อจะให้สําเร็จคือปัญญาจักสุ เพื่อจะได้ปัญญาจากสุขให้สีเป็นทานเพื่อให้สำเร็จรัศมีออกจากพระกายวานึงพระวรกายวางก็เลยให้สีเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้หรือยังใช่ไหมให้ยาให้อาหารเป็นต้นน้อมเป็นเสียงได้หมดแล้วเพื่อจะได้สำเร็จเสียงดุดพรมให้รสเป็นทานเพื่อจะได้เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งปวง ให้โพธภิภะเย็นร้อนเป็นทานเพื่อจะความเป็นพระสุขุมราชชาติก็คือละเอียดอ่อนอย่างพทธเจ้าเพาสัชทานให้หรือยัง <c oughs> เพื่อจะได้ไม่แก่และก็จะได้ไม่ตายไง <c oughs> ให้ความเป็นไทยแก่ทาตทั้งหลายเพื่อปวดเปื้องความเป็นทาตจากกิเลส <c oughs> เวลามีคนเป็นทาตเนี่ยพระองค์ก็ไปถไ่ยออกเนะี่ย <c oughs> ไปถไ่ยออก <c oughs> ให้ความยินดีในการ ในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทานก็เพื่อยินดีในพระสัตธรรมให้บุตรเป็นทานก็เพื่อนําสัตว์ทั้งหมดออกไปจากความเป็นบุตรก็แปลว่าก็หมายความว่าเวลาให้บุตรเป็นทานเนี่ยเพื่อนําสัตว์ทั้งหมดออกไปจากความเป็นบุตรของตนในชาติเป็นอริยะก็หมายความว่า พระเจ้าผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรที่พระองค์สละบุตรใครเป็นลูกของท่านในท่านสละเราก็ถูกท่านสละมาเหมือนกันนีแต่ท่านต้องการจะดึงเราออกจากบุตรของท่านที่ท่านผูกไว้เพื่อเข้าถึงเป็นอริยะเป็นอิสระพระเจ้าต้องการจะดึงเราเข้าถึงความเป็นอริยะจึงให้บุตรเป็นทาน ให้ภรรยาเป็นทานก็ได้ถึงความเป็นใหญ่ในโลกทั้งหลายไม่ธรรมดานะกายฆ่าสลละภรรยาเป็นทานได้เนี่ยจะได้เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงคุณพระเจ้าท่านท่านยังเรียกว่ามหาทานไงมีการให้นางมัสสีใช่ไหยแต่จริงๆให้มากกว่านั้นนะนางพิมพาเกิดว่ากี่ชาติโดนสละทิ้งหมดนะโดนสละทิ้งหมดลและแล้วเพราะท่านต้องการจะเป็นใหญ่ในโลกทั้งหลายอ่ะ ในจักราวาลทั้งหลายนั่นเองไม่ใช่ให้สิ่งที่ไม่รักนะให้สิ่งที่รักให้แก้วแหวนมุกดาแก้วประการเป็นต้นเป็นทานเพื่อความบริบูรณ์แห่งลักษณะที่งามให้เครื่องประดับนานาชนิดเราก็ให้ไปแล้วใช่ไหมเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะต่อไปจะไม่ได้มีรูปร่างแบบนี้แล้วให้ครังสมบัติเป็นทานเพื่อบรรลุพระสัตธรรมที่มีครังสมบัตินี่นะ ท่านก็เพื่อบรรลุพระสัตธรรมให้ราชสมบัติเป็นทานให้มาเยอะไหมเป็นจักรพรรดิท่านให้เป็นทานไหมเป็นพระราชานับไม่ถ้วนเป็นจักรพรรดิก็นับไม่ถ้วนสละให้เป็นทานหมดเนี่ยนะต่อมาท่านได้เป็นธรรมราชาไหมเป็นใหญ่ในพระสัตธรรมเลยเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเนี่ยเคยเป็นกราชามากษัตรย์กันแต่ตอนนั้นเราไปตายซะเนี่ยตายในขณะที่เป็นกษัตริย์ซะเนี่ย ไม่ยอมสละก่อนใช่ไหมไปเป็นสามีไปเป็นพ่อเขาก็อยู่อย่างงั้นนะแทนที่จะกล้าสละบ้านเดินออกมาซะนี่ก็ไม่กล้าติดตำแหน่งตายอยู่งนั้นโอ้เลยไม่ได้ทานเลยเสียโอกาสมาตั้งหลายแสนหลายชาติพบใช่ไหมถ้าคิดออกอย่างนี้สละเป็นมาตั้งนานแล้วน่าจะสละเป็นมาตั้งนานแล้วไม่กล้า ก็น่าจะกล้าเดินออกตั้งนานแล้วก็ไม่กล้าก็ติดอยู่นั่นแหละเลยไม่ได้ทานในกุศลในข้อนี้เลยก็เลยไม่ได้เป็นธรรมราชาเลยให้สวนสะให้ป่าเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งฌานมีปฐมฌานได้ปฐมฌานก็โอ้โหหลากหลายมากวิจิตมากเข้าปฐมฌานได้ในสีทุกสีเอาที่เอาสีทุกสีมาพิจารณาได้หมดเอาวัตถุทุกชิ้นมาพิจารณาเข้าปฐมฌานได้หมดอย่างเราเนี่ย เพ โ, โหมองพระคันยูคนดียังเข้าฌานไม่ได้สักฌานเลยเนี่ยนี่ถ้าเขาต้องการไม่เคยสละสวนไม่เคยสละป่าไม่เคยสละที่สาธารณะทั้งหลายที่ยึดติดเป็นฐานทีเดียวนะก็เลยไม่ได้ต้องต่อต่อไปต้องทําให้ได้หลักฐานมีจริงจริงไหเนี่ยมาว่าไปตามคําสอน น, นี่นี่ว่าไปตามคําสอ น, นท่านสละกันจริงๆให้เท้าเป็นฐาน ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนถึงเท้าเท้าก็ต้องให้ด้วยใช่ไหมให้เท้าเป็นฐานเพื่ออะไรเพื่อก้าวไปสู่รัศมีมนท้นด้วยเท้าที่มีรอยจักลองดูเท้าของพวกเราสิไม่มีจักโผล่ขึ้นเลยแถมเป็นรอยเท้าประหลาดประหลาดไม่เคยให้ร่างกายเป็นฐานกับเขาก็สักทีเลยเนี่ยนะให้มือเป็นฐาน เพื่อได้มือคือพระสัตธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อถอนสัตว์ออกจากกามโมคาพโวคะที่โถคาและวิโชคะให้หูให้จมูกเป็นทานเพื่อให้ได้อินรีย์ให้อินซีย์คือตาที่บริบูรณ์ไงหูก็บริบูรณ์ใช่ไหม <tur k> เพื่อให้เพื่อให้อินทรีย์นะจะได้ศรัทธาศรัทธาที่บริบูรณ์ วิทยาที่บริบูรณ์สติที่บริบูรณ์ปัญญาที่บริบูรณ์ปัญญาที่บริบูรณ์เห็นไหมอินทรีห้าของเราเนี่ยไม่บริบูรณ์เพราะเราไม่เคยให้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นทานใครก็ไม่มีศรัทธาบริบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้าไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าเนี่เสมอกันด้วยศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนะเพราะท่านให้สิ่งเหล่านี้เสมอกันแต่เราเนี่ย ศรัทธากะพ้องกะแพงอย่าแปลกใจเพราะเราไม่ได้ให้แบบพระพุทธเจ้าให้ให้จักษุเป็นทานเพื่อให้ได้สมันตาจักษุคือจักสุโดยรอบนี่โอ้โหปัญญาอย่างกว้างขวางฉะนั้นถึงบอกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยท่านให้ตามากกว่าดาวบนท้องฟ้าท่านจึงมีสมันตาจักษุรอบเลยปัญยารอบเลยของเราก็ปล่อยมันบอดไปแต่ละชาติละชาติไปแค่นั้นแดี๋ทิ้งหมด มีไว้ก็ไว้ทิ้งวันนี้เรามารับข้อมูลในพคัมภีรกูดีของพระผู้มีพระเจ้าวันหน้าจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การให้เราจเจริญเข้มแข็งกันทุกคนดีไหมวันนี้เราอาจจะไม่กล้าจ่มาเราอาจจะไม่กล้าหรอกไม่เป็นไรให้พร้อมมูลให้พร้อมมูลอีกหลายแสนอัตภาพ เราก็จะได้ฝังอัธยาศัยไว้แล้วว่าพระศาสดาสอนอย่างนี้อันนี้สําหรับบุคคลที่เป็นสัมมาสัมโพธิญาณ น, นะนะ ส, สัมมาสัมโพธิญาณแต่เราจะได้เห็นคุณของพระศาสดาจะได้เชื่อมั่นพระศาสดาว่าพระศาสดายิ่งใหญ่จริงๆแล้วไม่ใช่ทําแบบงมงายทําแบบประเภทมีข้อมูลข้อมูลรอบครอบท่านทรงคาสอนเข้าใจคําสอนในอัตถะ แล้วพยัญชนะอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ไม่ใช่ทำแบบงมงายทําไปแล้วก็ไปทุกใจบางคนไ ม, ม่กล้าแม้จะคิดนะนะอันนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วคิดก็ไม่กล้าแล้วต์หนีในใจมันห่วงมนุษย์มันห่วงกันทนะั้งนั้นเอามาเนี่ยเคยนึกในใจตอนน้องให้ตายอะเอามาก็นึกเออเรากล้ า, าไหมเนี่ย เรากล้าทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นผู้รับของเขาเนี่กล้ารับเนี่ยนะแต่ถ้าเราจะให้เราจ ะ, าจะกล้าไปนหมนึกในใจโอ้โหเราก็ไม่มีโอกาสเราจะไปบอกว่าเรากล้ามันก็มันก็แค่พูดใช่ไหมเราไม่เคยไปให้ไปหาหมอบอกหมอช่วยเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยช่วยควักไตเราออกสักข้างนี้เราจะบริจาคเนี่ยเราไม่เคยเราเราบอกเรากล้าเราก้ามันก็แค่คําพูดใช่ไหมใช่ ก็ลเลยนึกในใจให้เรานี่จะกล้าไหมเนี่ยเธอจะเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นถ้าจะสละก็เพื่อประโยชน์กับบุคคลอื่นจริงๆนะถ้ามีตาก็อยากจะให้ตาคนอื่นจริงๆริหาไม่ใครมารับตาเราเธอเนี่ยเอามาก็ไปทํานะีไปเขียนเนี่ยอาบริจาคอาวัยวะให้กับโรงพยาบาลกระสือตัเขียนไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขียนไปเขียนมาจะได้พังหมดแล้วเนี่ยจะให้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นก็น้อมสละนั่นเลย แต่เงื่อนไขเดี๋ยวนี้มันเยอะใช่ไหมมีพระอยู่รูปหนึ่งนะไปเผาตัวเองเป็นพทธบูชาเผาแล้วดิ้นเลยใจไม่พอใจไม่พอเพราะไม่รู้จากความเจ็บปวดจริงไนงะไปตอนตั้งใจก็ดีใช่ไหมเพราะไปเผาขึ้นมาชักดิน้นชักงอแต่ไม่รู้นะเราก็ไม่ว่าไม่ทราบว่าใจของท่านได้แค่ไหนไม่รู้แต่อันนี้อันนี้ไม่แนะนำ ที่ไม่แนะนําก็เพราะว่าข้อมูลไม่ถึงถ้าข้อมูลจนถึงนะจนชัดถ้อยชัดคําแล้วมาแนะนําเลยแนะนําแต่ถ้าข้อมูลไม่ถึงความเข้าใจไม่พอเนี่ยได้ไหคะในช่วงที่ระหว่างรู้กับจิตเนี่ยมันจะเกิดการแยกการจิตรงนั้นถือเป็นความเวินาทุกข์ิพนธ์มาที่สุ ด, ดก็คือว่า ทุกเวตนามันเกิดแน่นอนแต่ว่าตั้งใจเดิมเนี่ยได้แต่่าตั้งใจต่อไปตั้งใจต่อไปเราไม่ทราบไยแต่ของต่างๆเหล่านี้นะเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเพียงว่าถ้าพระเจ้าเป็นดินหรือพระโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยเขาปกติขอ ง, ของท่านเลใจท่านมันเกินเกินที่เราจะคิดแต่ตรงนี้เราจะได้ น้อมศรัทธาเป็นเรานั้นค่อยฝึกฝึกปรือให้เป็นวิธีคิดถ้าข้อมูลถึงมันได้ข้อมูลไปถึงไม่ได้ให้เนื้อและเลือดเป็นทานหวังว่าจะเป็นประโยชน์สุขให้แก่สรรพสัตว์ตลอดกาลนานทั้งปวงในการเห็นในการฟังในการระลึกในการบำเรอเป็นต้นและกายของเราพึงเป็นกายอันโลกทั้งปวงพึงเข้าไปอาศัยเนี่ยงั้นพระบระมาศ า, าสดาเนี่ยท่านให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีเหตุผล เหตุที่ท่านกล้าสละเลือดเนื้อทั้งหลายเหล่านี้แต่เข้าวันั้น เ, เป็นที่รักของคนเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายหมดเลยให้อวัยวะสูงสุดเป็นทานหวังว่าเราจะเป็นผู้สูงสุดในโลกทั้งปวงพระมหาบุรุษเมื่ อ, อยังให้อย่างนี้ก็เพื่อสแสวงไม่ให้แบบเพื่อสแสวงหาผิดนะเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเลยเนี่ยเียท่านก็พิจารณาในลักษณะอย่างเนี้ยทีนี้ในกรณีของการให้ เมื่อให้ผ้าเป็นทานก็ย่อมพร้อมกับสิ่งของมีข้าวเป็นต้นเวลาการให้ของเนี่ยพระองค์ก็สามารถก็ให้ของที่บริบูรณ์นะนี่หมดเวลาเลยใช่ไหมเวลาให้เสียงเป็นทานนั้นไม่สามารถให้เสียงได้ดุดการถอนเง้าบัวนะดุดดุดวางดอกบัวเขียวลงบนมือแต่ทาให้พร้อมกับวัตถุนะ ยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาเสียงให้เป็นทานไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมมันให้ได้ไม่เด็ดขาดไม่รู้จะตัดก่องเสียงเป็นทานยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเอาพวกอุปกรณ์บางท่านก็เอากองบ้างใช่ไหมเอาพินไปบูชาบ้างเอาตแตรไปบูชาบ้างเนี่ยทนก็จะให้ลักษอะไรเงี้ยหรือหรือไม่อย่างนั้นก็เอาถวายท่ากําลังบรรยายนี่ยนะให้ท่านมียาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะให้ข้าวเป็นต้นน้อมถวายเสียงเป็น ทา น, า, นนานอย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรเนี้ยนะลักษณะอย่างเงี้ยเขาคิดเป็นอย่างเงี้ยท่านคิดเป็นอย่างเงี้ยบริษาทจะคิดแบบนี้เขาเรียกให้เสียงเป็นทานทีนี้ถ้าจะให้อย่างยกตัวอย่างให้ยานี่นะให้ยาให้น้ํามันน้ําผึ้งเป็นต้นนะแ ก, พก่พระธรรมประกาศพระธรรมสวดสรพันยาอย่างเงี้ยแต่เราไปก็สวดมนต์ใช่ไหมสวดมนต์สวดสิ่งต่างๆนั่นเขาเรียกว่าให้เสียงเป็นทานเหมือนอย่างเงี้ย เหมือนในบทของการสวดมนต์อย่างที่นอบน้อมที่มาพานำแต่มาว่าเป็นภาษาไทยอะ่ะอย่างที่บอกว่านราสะโพเนเกสุพะเวสุติงสปารมีนมามิศิรสานิจังปุเรตวะอาคโตวรัง โมขังนาโทอภิชันโตดวยังหิตวาสารตะกังโมดังวันสุดุการังนา ม, ามีศิรษ า, าดรังลักษณะยยอย่างเงี้ยสวดสารพันย่างเงี้ยเนี่ยนี่เขาเรียกให้เสียงเป็นทานหรือกล่าวบอกว่าพระนราศพผู้บำเพ็ญบารมี3ามสิบทัศน์นับพบนับชาติไม่ท่วนเสด็จมาดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกาาราบไหว้พระนารายสภัผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงเกล้าเป็นนิดพระนาถะทรงปรารถนามโมกษธรรมสระพระราชาโอรสพระมเหสีทั้งสองพร้อมได้วแว่นแควนน้อยใหญ่ทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้านอบน้อมพระนาถะผู้ทกทรงทําสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงเกล้าเนี่นี่ก็เรียกว่าให้เสียงเป็นทานให้เสียงเป็นทานหรือ ที่เราแจกธรรมะแจกอะไรทั้งหลายอลไรเนี่ยให้เสียงเป็นทาน่านั้นลนะให้เสียงที่ไม่วิปลาตทั้งหลายเป็นทานอันนี้ก็ทำบุญ ล, ลักษณะอย่างนี้นี่ให้เสียงเป็นทานให้วัตถุมีกลิ่นหอมหน่ายินดีอย่างใดยอย่างหนึ่งเนียกลิ่นหอมที่มีรากต้นไม้กลิ่นหอมของดอกไม้ทั้งหลายอ่ะที่อบแล้วนั่งัาสมาที่กาหนดกลิ่นว่าเราจะคกินเป็นทาน กลิ่นเป็นทานของเราแล้วทำเองแล้วให้ผู้อื่นทําการบูชาพระราะตรายเป็นต้นบริจาควัตถุที่มีกลิ่นมีกลิ่นสนะกฤษ น, นาจันแดงบูชากลิ่นนี้ชื่อว่าให้กลิ่นเป็นทานให้รสเป็นทานก็คือให้รสอาหารเป็นต้นเหล่านี้นั่งกัดสมาธิกำหนดรสว่าเราได้ให้รสเป็นทานแล้วรสเป็นทานของเราให้แกทักทิเนียบุคคลสลากข้าวเปือก และโคเป็นต้นอันมีวัตถุเป็นรถชื่อว่าให้รถเป็นทานให้โลิภัณเป็นทานก็คือเตียงตังไงผ้าเป็นต้นเหล่าเนี้ให้วัตถุมีโภิตภัาที่ไม่มีโทษหน้ายินดีมีสัมผัสสบายนะเป็นทานให้ผ้านุ่งเป็นต้นเหล่านี้ให้ธรรมทานก็คือว่าโอชาทั้งหลายนั่นแหละโอชาทั้งหลายน้ำปานาอะไรทั้งหลายเนยน้อมวิตามินทั้งหลายนั่นแหละ ฉะนั้นทานในสัมปท า, าสัมปท า, าเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อวิมุติไม่กำเริบเพื่อฉันทาวิริยะจิตตาเพื่อปฎิพาณนะเพื่อสมาธิเพื่อญาณวิมุตไม่สิ้นสุดพระบรมโพัตว์ปฏิบัติทานบารมีปฏิบัติอนิจจสัญญาในชีวิตในโภคะก็เหมือนกันก็มานาสิกาในสาธารณยะแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายพึงให้ปรากฏมหากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายเนืองนิดสละมั่มเสมอถือเอาทรัพย์สินที่ควรถือเอาไปได้นำสมบัติทั้งหมดของตนออก จากเรือนดุดของออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ไข่อย่างไม่เหลือไม่ทำการแบ่งหน้าที่ไหนโดยที่แท้เป็นผู้ไม่เพ่งเลงสละหมดนี้เป็นลำดับแห่งการปฏิบัติในทานอัเมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะกล่าวคำสการะบบูชากันอีกครั้งหนึ่งเลอาบนมือเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะ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 ขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง <Okay. S 1> ข้าพเจ้าขอากราบนอบน้อม <Okay. S 1> บูชาพระคุณ <Okay. S 1> ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <Okay. S 1> ที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณไม่ได้ <Okay. S 1> เสียสละสั่งสมบารมี <Okay. S 1> เพื่อประกาศธรรม <Okay. S 1> นำเวนยัยสัตว์ออกจากวัตทูก okay. ข้าพเจ้าขอบูชาพระคันทรูดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าณสถานที่เชตวันมหาวิหารนี้ที่พระศาสดาเริ่มตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ปัจจุบัน ไม่ทรงละสถานที่แห่งนี้ด้วยความเลื่อมใสยิ่งขอบูชาพระธรรมที่หลังไหลจากกระแสพระหทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายที่ทรงทำให้พระธรรมเป็นไปแล้วณสถานที่แห่งนี้ ด้วยจิตที่เลื่อมใสยอย่างยิย่งขอบูชาพารอาะอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจา้าที่พระธรรมออกจากหาไทยของพระศาสดาออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเนรมิตรบุคคลเหล่านั้นให้เป็นพระอริยะแล้ว ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาสักการะทั้งภายในและภายนอกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยจิตที่เลื่อมใสขอบูชาพระรัตนตรัยขอบูชาบริโภคเจดีย์อุเทสิกาเจดีย์ทาสเจดีย์ธรรมาเจดีย์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, พพาด้วยจิตที่มุ่งมั่นสาการะทั้งหลายที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าค อ, อ, อ, อน้มถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดข้พพาพเจ้ามอบกายถวายชีวิต ขอเป็นสิทธิพธ์พระศาสดาขอเป็นสาวกของพระศาสดานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือภ า, านิพานบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากสการสการบูชาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยได้มีโอกาสแทงตลอดคำสอนของพระศ า, าสดาเดินตามรอยบาทพระศาสดาอย่างมั่นคงในที่สุดขอให้เป็นปัจจัยแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้ปฏิบัติตามคำสอนของภาษาสระจนเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเธอด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ <ขอ S 2> ้าขอพระพุทธเจ้าจงวดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป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 อ้าวเดี๋ยวว่าตามนะบางทีใครอุทิศไม่ได้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนับบัดนี้และบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักให่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี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 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมปราวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเราก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้าไปใครไปมันเลยนะไปเดินลาที่ไปยูเดินไปที่ <ไป S 2> คนไทยไทยแต่สลัใส่ผ้าเนียแล้วก็ไปดูช า, างด้วยทำยังไงสลเาเก็ใส่โดดตกันแล้วก็ไปดูช้าถ้าไม่มีที่โก น, นกมันก็กมันยอมเป็นเยีย่เมมั้ง ก็ฝึกไว้ก่อนฝึกในการให้ไว้ก่อนอ๋อได้เอาทีใครมีใครจะสลับผมไหมอ่าเ <ยา S 1> ดีเ๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้นะใส่ผ<น>้าขาวๆหนะน่อยนะไม่มีผมมาเปรียบสละเลยนี่มีมาัดกวนมาอื<น>อ<น> ตัดนิดกๆในหน่อยเนาะเออเป็นทานเป็นในวิวาทิลักของเรานันเนี่ยเอออาสาธุ อ, อ, อ, อนิด อ, อันิ ด, น, ด น, นหน่อยอ่ะอ่าเออได้ถวายเป็นทานเลกนิดหนึ่งนะเอาหน้าจะได้มาทั้งหัว <c oughs>